กับการที่ท่านจะนําพวกเราปฏิบัติธรรมก่อนฟังธรรมกันนะคะในมส ก, การกคับท่านคะเฉยปอนในการปฏิบัติธรรมเราเริ่มจากการที่ให้ตั้งสติขึ้นโดยเครื่องมือของการตั้งสติขึ้นนั้นก็เราใช้ลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมดาแต่เริ่มต้นก็คือให้เรามาสังเกตในจิตของเราถ้ามันจะส่งออกไปทางหูไปในเรื่องอื่นๆไปทางตาไปทางความคิด เอาให้จิตของเรานั้นมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเวลาที่เราจะเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนั้นก็คือให้สังเกตดูนั่นคือการสังเกตตอนนั้นเองการสังเกตอยู่บ yes, ริเวณที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่เข้าออกอยู่ได้สัมผัสที่จะผ่านเข้าผ่านออกนั้นก็คืออยู่ในบริเวณโพรงจมูกอาจจะเบาบ้างอาจจะแรงบ้างถ้ายังสังเกตไม่ได้ชัดเจนบางคนบางท่านก็จะใช้วิธีการในการ หายใจลึกๆสักสอาครั้งเพื่อให้สังเกตดูได้เห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วก็ให้ใหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ให้เราตั้งจิตของเราเอาไว้ที่ตรงนั้นการที่จิตมาอยู่กับลมหายใจสติจะเกิดขึ้นตันทีสติที่เกิดขึ้นนี้เปรียบเหมือนกับนายทวาร น, นายทวารนี่คือหมายถึงยามนั่นเองอย่างถ้าเวลาที่เราไปตามห้างร้านบริษัทศูนย์ราชการหรือว่าหมู่บ้านบางแห่ง ก็จะมียามอยู่บริเวณป้อมยามคอยตรวจคนเข้าตรวจคนออกยามนี้เขาก็จะรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่นั้นๆเช่นเดียวกันสติที่มาคอยเฝ้าอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลหมหายใจ mm. ก็จะเป็นตัวที่รักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราได้โดยสตินั้นก็จะตั้งอยู่บริเวณนี้เหมือนกับยามจะอยู่บริเวณป้อมยามจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจน ในบ้านถึงในอาการจะไม่ได้ตามคนออกไปจนถึงนอกถนนถึงข้างนอกเช่นเดียวกันลมหายใจที่เรามาสังเกตนี้เราไม่ได้ตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือไม่ได้ตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกนอกจมูกแต่ให้จิตของเรามาตั้งอยู่บริเวณนี้และการทําอย่างนี้ไปทั้งวันจะทําให้จิตของเรานั้นมีสติค่อยๆมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมีสินใดมากระทบก็เหมือนยามนั่นแหละ คอตรวจสอบตรวจตราอยู่แต่ให้จีกข เ, เรามียามเฝ้าอยู่ตลอดทั้งวันก็จะมีความปลอดภัยมีความสบายใจเกิดขึ้นได้ไให้ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆชนนพรสาธุค่ะเทียนเองก็ถือโอกาสนะคะได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละได้สังเกตกันบ้างไหมคะว่าเมื่อตั้งสติได้แล้วคือได้เอาจิตเนี่ยไปรู้ กับลมหายใจแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ต้องเฝ้าสังเกตเหมือนกันนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงดิฉันเข้าใจว่าถ้าสังเกตจะเห็นทันทีจะทราบทันทีอืมเจริบานค่ะท่านพิบูญคะ่ะทีนี้จะได้เกริ่นนะคะในตอนต้นรายการว่าท่านพิบูญจะเปิดโอกาสดีให้กับพวกที่อยากจะถามตอบคำถา ม, มแบบที่ตรงใจกับตัวเองคือถามเองอ่ะใช่ใช่ ท่านจะเปิดโอกาสให้อย่างไรหรอคะอก็จะมีโอกาสในวันที่3กรกฎาคมนั่นก็คือว่าทางชมรมรักธรรมของบริษัทปตทสพ<ๆ>ก็ได้นิ ม, มนต์อาตมาไปเทศที่นั่นแล้วก็ไปหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็ที่นั่นเขาก็มีกิจกรรมธรรมะกันอยู่เป็นประจาอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้อาตมาก็มีความคิดว่าเราก็ฟังธรรมกันมามากแล้วแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันมาพอสมควรก็เลยมีความคิดว่า เราน่าจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังหรือว่าใครๆก็ตามที่ต้องการจะถามคำถามเนี่ยให้เตรียมมาเนะี่ยเตรียมคาถามมาคนละ3คํคำถามก็จะเปิดโอกาสให้ถามไดนะ้โดยในวันที่3มกรกฎาคมนี้ก็จะจัดที่ตึกเอ็นโคี่ตึกเอ็นโคลนี่ก็คือตึกของบริษัทปตอส อ, อ, อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตธินะ์ที่ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงนะในช่วงเวลาที่ยังถึงบ่ายโงครึ่ง แล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้นะทั้งเป็นเขียนก็ได้หรือเป็นพูดก็ได้ในเรื่องใดๆที่จะทำให้มีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นอันนี้คือในวันที่3รกรกฎาคมส่วนในวันที่4ี่กรกฎาคมคือในวันเสาร์ก็จะเป็นการบรรยายธรรมที่หอจดหมายเหตุพุทธธาตอินทปัญโยอันนี้ก็คือที่สวนโมกกรุงเทพ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนรถไฟอันนี้เริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลย แ, ลแต่มาจะบรรยายเรื่องของจักคือทํามันประเสริฐพูดง่ายๆก็คือธรรมจักรนั่นเองอธิบายไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนอยังไงารายละเอียดของอริสัยสีเป็นอย่างไรที่เรายงเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เป็นอย่างไรจะไฮไลท์ประเด็นต่างๆเหล่านี้ออกมาเนื้อก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3มชั่วโมง<ฆ>ถึงเที่ยงนะว่างั้นนะเนื<ฆ> แ, ลแล้วก็จะปลุกกระให้ทําคําถามบ้างนิดหน่อย แล้วก็ตอนเที่ยงนี้ก็จะมีโรงทานในช่วงตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงในภาคบ่ายของวันที่4กรกฎาคมก็ที่สวนโมกเหมือนเดิมก็จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราพาทํากันในตอนต้นรายการเนี่ยแต่คราวนี้จะเป็นรูปแบบแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆอีกวิธีแก้ปัญหาเรื่องของความง่วงซึมวิธีแก้ปัญหาเรื่องความฟุง้งซ่านแล้วก็ฝึกทํากันด้วย เราก็จะมีเรื่องราวที่อาจจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามคาถามหรือว่าให้ข้อมูล ใ, น ใ, นใดๆก็ในช่วงบ่าย น, นี่คือในวันที่สี่กรกฎาคมวันเสาร์มีสองวันเจนนี่อดค่ะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ปลาเข้าไปวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนอโอกาสดีที่ท่านไปบุญจะเดินทางมากรุงเทพดังโปรแก ร, รมที่ท่านได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้นจะเกิดในวันศุกร์ที่สามและวันเสาร์ที่สี่นะคะ สุกที่สามล ว, วันเสาร์ที่สี่เอ๊สุขที่สามนี่เป็นกิจกรรมปิดเฉพาะชาวปตทไหมคะ Salz. ไม่ไม่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้อ๋ akes. อค่ะนะคะที่ตึกเอ็นโก้ชั้นห้าห้องจัดเลี้ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงครึง่งส่วนวันที่สี่จะเป็นที่หอจดหมายเหตุเพื่อธาตุอินทปั ญ, ญโยใช่อยู่ใกล้ๆจตุจักรนะคะบอกว่าจอดรถได้ที่สวนรถไฟด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งวันเลยคือตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง สามโมงครึ่งตอนเย็นใช่ใช่ค่ะอารามก็จะอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยค่ะเรียกว่าได้ใช้เวลาเต็มที่จากการที่เสียเวลาเดินทางมานะคะใช่มาเฉพาะกิจกรรมนี้เลยหรือเปล่าคะครั้งถูกต้องถูกต้องัคสาธุคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะก็มีอะไรที่ดิฉันไม่สามารถถามให้ตรงใจท่านได้หรือโอกาสที่เราจะได้พบกับพระอาจารย์ไพลบูรณ์ไม่ง่ายนะคะ ท่านนั้นอยู่ประจำที่จังหวัดอุดรธานีและจำเป็นจะต้องปักหลักอยู่ที่นั่นจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่ากิจของสงท่านเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการที่จัดคอร์สลีเรซึ่งมีประจำทุกๆเดือนเดือนหนึ่งก็ร่วมร่วมสิบ ว, วันวนะคะสำหรับคำถามที่ดิฉันจะกราบเรียนถามท่านในวันนี้เนี่ยในส่วนตัวนะคะเรียนบาย ต้องการจะถามเรื่องของอบ่อนการพนันคือกำลังเป็น Talk of the t <c oughs> อ w n ว่าจะเปิดให้มีการตั้งขึ้นมาดีไหมบางคนก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของอะรลคะเอนเ p l e x เเหมือนกับว่ามีความบันเทิงสรารพัดประเภทแล้วก็มีบ่อนที่ถูกกฎหมายเหมือนกับเช่นที่มาเกา <c oughs> เหมือนกับเช่นที่อะไรล่ะคะหลายหลายประเทศ <c oughs> สิงคโปร์ก็มี ค่ะมีหลายประเทศนะคะที่เขาเปิดอย่างถูกกฎหมายอย่างนี้ที่ลาสเวกัสนี่เป็นล่ําเป็นสรรค์ทั้งเมืองเลยก็ว่าได้่อาทีนี้ของเราเป็นนการธรรมาาคะค่ะท่านคะอืมถ้าถามต้องบอกว่าอย่าเอาท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะดิฉันเองก็ถามตามหลักพระพุทธเจ้าส่วนในการที่จะตัดสินใจทําอะไรต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็คนที่อ่าเป็นประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะ สะท้อนอความคิดเห็นของท่านขึ้นไปได้มุมมองของพระพุทธองค์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันสมัยก่อนในพุทธพจน์มีการตรัสถึงบ่อลไหมคะมีมีสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีการเล่นการพนันลแล้วแต่เราก็ได้อธิบายถึงเรื่องของการพนันเนี่ยว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในการพนันนะค่ะอธิบายคําแบบนี้นิดหนึ่งว่าที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไง การปนันเนี่ยในทุกรูปแบบเลยนะคุณโยมติว๋วไม่ว่าจะที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามถูกกฎหมายเรากําลังพูดถึงสลากกินแบ่งอันนี้การประนันแน่นอนค่ะถูกผิดกฎหมายเรากําลังพูดถึงพรกเงินหวยใต้ดินหรือว่าลูกเต๋าไฮโรพวกนี้เป็นลักษณะที่ผิดกฎหมายการปนันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าจะทําให้เกิดความประมาทประัาโทษนะคะท่านคะ อย่างพนันฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นกีฬากันมันก็เป็นกีฬาเป็นยาวิเศษเหมือนกันนะคะมีพนันโอเคการเล่นกีฬาก็ก็ไม่มีปัญหาแต่การพนันที่ไปติดกับการเล่นกีฬาเนี่ยเป็นปัญหาส่วนที่เป็นการพนันเป็นปัญหาถูกต้องถูกต้องส่วนที่เป็นกีฬาไม่ใช่อ่าไม่มีปัญหาค่ะนีทีนี้มันเป็นความละเอียดเรื่องของศีลถ้าคุณโยมติวพูดถึงการะเล่นที่แบ่งเป็นสองข้างค่ะแต่ถ้าเราพูดถึงเป็นคารวาสเนี่ยก็เล่นไม่มีปัญหานะแต่พระเนี่ยถ้าเบอกว่า ไปดูการละเล่นชนิดที่เรียกว่าแบ่งเป็นสองข้างอันนี้เป็นศีลที่ละเอียดขึ้นไปของพระสงฆ์ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระไปนะท <Okay. S 1> ีนี้ว่าถ้าเป็นครวญว่า ก, ก็ไม่มีปัญหาคุณก็เล่นไปทีนี้ถ้ามีการพนันไปติดอยู่กับเรื่องอะไรเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นความแปดเบื้อนที่จะเกิดขึ้นได้และที่ตั้งของความประมาทเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ตอนที่เล่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นอะไรเหมือนอย่างกินเหล้าเนี่ยตอนนี้คุณกินเหล้าก็ยังสติ ด, ดีอยู่นะก็ <Okay. S 1> ยังไม่ได้พูดชั่วไม่ได้คิดชั่วไม่ได้้ทําาอะไไรนนััจจิบบมม่ีปญห เดีลเล่นกนนารพนันนี้ก็เหมือนกันคุณอาจจะเล่นก็สนุกสนุกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอากุศลธรรมมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้เดีมันจะเกิดตรงที่ว่าในวงเล่าหรือมันจะเกิดไอ้ตรงที่ว่ า, รรนนานคุณเล่นการพนันตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเดีเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าอากุศลธรรมจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ได้เช่นอะไรบ้างเดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษของการพนันเอาไว้เดี๋วก็คือจะเสียทรัพย์อ่ะ เสียทรัพย์โดยไม่จําเป็นอผู้แพ้ก็รู้สึกเสียดายทรัพย์ผู้ชนะก็สร้างเวรแล้วก็ทําให้เสียเวลาต่างๆค่ะท่านคะ <c oughs> ก็เท่ากับว่าเสียทรัพย์โดยไม่จําเป็นเป็นสิ่งที่พระพุทธงรัตต์ไว้ว่าเป็นความเสียหายจากการเล่นการพนันใช่แต่บอกว่าอากุศลธ ร, รรมจะเกิดขึ้นในที่นี้ซึ่งก็น่าจะมีมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าะคะอกุศลธรรมเนี่ยจะมีหลายๆอย่างถูกต้องเนย่างเช่นว่าผิดศีล หรือว่าแบบด่ากันว่ากันหรือว่าเล่นการพนันแล้วมันก็กินเหล้าเสพยาเสพติดอีกก็จ ะ, ะมีลักษณะนี้อยู่ในนี้น อ, นอกจากว่าเสียทรัพย์ในปัจจุบันใช่ไหมนอกจากคนแพ้นี่ก็เสียทรัพย์เสียดายคนชนะก็ก่อเวรนี้3าข้อแล้วน ะ, ะแล้วก็คนเล่นการพนันเนี่ยเวลาไปพูดในที่ประชุมเนี่ยฟังไม่ขึ้น ค, นะคือคือถ้อยคำของคนเล่นการพนันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อกัน S <S เดี๋ยวขอยืมเงินเนี่ยอันนี้ตัวดีเลยเสียเครดิตอ่าเสียเครดิตนี่ข้อที่สี่นในโทษข้อที่ห้าก็คือว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเน่นเพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนันเนี่ยเลี้ยงดูภรรยาไม่ได้คันนี้เป็นบุตรบุตรในก้อที่ห้าส่วนี้ข้อที่หกนี่ก็จะถูกคนอื่นหมิ่นประมาทถูกแม่ว่าถูกพ่อว่าถูกคนอื่นด่าว่าอยู่ในทางการพ น, นัออนเกิดนี้เป็นโทษที่จะเกิดขึ้นได้ที่คําว่าที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือ ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แต่บาง ค, คนอาจจะไม่ได้เกิดหมดเนี่ยบางคนอาจจะร่ํารวยจากการเล่นพนันใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะต้องโดนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอกุศลธรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ค่ะนะคะอันนี้โดยหลักเนี่ยพระพุทธองค์ได้สอนในการที่จะทําให้คนเราเนี่ยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความประมาทท่านก็เลยมาเตือนถูกไหมคะใช่ใช่เพราะถ้าแปลดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าอบายามุขคือ ที่ตั้งแห่งความประมาทและอบายามุกเองเนี่ยที่พระพุทธโธตรัสไว้มีตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะใช่อบายามุกเนี่ยคือหมายถึงปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมอมุกนี้แปลว่าทางเป็นปากทางใช่ไหมอบายในยความเสื่อมทางที่คุณกําลังไปอยู่เนี่ยมันจะพาไปตกนรกมันจะพาไปเสียเงินมันจะพาไปเจอเพื่อนชั่วมันจะพาไปเจอบาปอากุศลธรรมต่างๆอย่าไปทางนั้นคืออบายามุกแต่ให้ไปทางอันประเสริฐคือมรรคแดค่ะ ก็เท่ากับว่าบ่อนหรือการพนันซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ่อนไม่ว่าจะเป็นบ่อนถูกกฎหมายหรือบ่อนผิดกฎหมายแล้วยังไงก็ให้สําเหนียกไว้ว่าแม้แต่พระพุทธองค์นะคะซึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งทุกเรื่องแล้วก็เน้นหนักไปเรื่องทําให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงก็คือไปนิพพานเนี่ยนะคะก็ยังได้ตรัสถึงอบายมุกเพราะว่า ถ้าได้ลองแตะต้องเข้ากับอบายมุกแล้วโอกาสที่อกุศลซึ่งเราจําเป็นจะต้องละละละละละจะได้สิ้นความทุกข์หรือทุกข์น้อยลงน้อยลงเนี่ยอืมมันจะเป็นตัวเกิดขึ้นมากกว่าไม่ใช่เป็นตัวทําให้ดำใช่ใช่เอออีมีประเด็นหนึ่งที่าต้องการจะแยกแยะความแตกต่างค่ะแต่ระหว่างการดําเนิน อ, อาชีพกับการเล่นการประ น, นันคือบางคนคิดว่าก็ก็เป็นอาชีพฉันนะเหนือไหมเบ่งเช่นว่า ขายลอตเตอรี่เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาชีพลักษณะใดลักษณะหนึ่งเอระหว่างการอาชีพอย่างเช่นเล่นหุ้นอย่างเงี้คุณเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ลักษณะว่าซื้อมาขายไปนะค่ะแล้วก็อย่างการเล่นการพนันก็ลักษณะซื้อมาแล้วก็ได้เหมือนกันแต่มันจะมีความแตกต่างกันคือบางคนเนี่ยเขาพนันไปติดกับหุ้นก็มีอยเช่นเขาจะมีหวยหุ้นนะนะมีเล่นเกงกำไรไงคหุ้นเก็เหมือนกับว่าบางคนก็ ช่วยโอกาสสร้างข่าวสมมุตินะคะช่วยกระพือข่าวทําให้คนเข้าใจผิด อ, อ, อทุกหุ้นจนร่วงสมมตินะดิฉันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยได้คนเล่นแต่จินตนาการเข้าไปว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเนี้ยพอทุกหุ้นปุ๊บทุนหุ้นที่ควรจะดีๆอยู่ตกลงมาตัวเองก็ไปช้อนซื้ออหรือสร้างราคาให้มันสูงขึ้นนะคะตัวเองซื้ออยู่แล้วราคาถูกก็ไปปล่อยให้มันสูงและหลังจากนั้นหุ้น ม, มันก็อยู่กับความจริงก็คือ ราคาก็มาอยู่ในสภาพของความจริงอืมใช่ก็มีคนเสียหายอในในลักษณะนั้นก็จะเข้าข่ามิจฉาอาชีวะค่ะก็คือหลอกลวงมีการชั่วโกงในการค้าขายของเราแต่ว่าไอลักษณะการพนันเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีเงินแทงแล้วไอการออกออกเลขหรือออกเบอร์หรือถอยลูกเต๋า อ, อะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่จะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาควบคุมแต่ยังซื้อหุ้นเนี่ยเรายังควบคุมในการซื้อควบคุมในการขาย ไอ้ตรงขายที่เราขายเนี่ยเป็นการควบคุมที่สองที่เราจะควบคุมได้ซึ่งมันจะแตกต่างกับเรื่องของการพนันในการพนันนี่คือเราซื้อได้อย่างเดียวแล้วไอ้การออกเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ล่ะจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะแล้วก็ อ, ก อ, กอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องการพนันก็คือว่าคนที่จะต้องปกครองทำการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยหรือว่าเราจะบริหารจัดการสังคมไปให้มันเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะ คือคือคนดื่มเหล้า ห, หรือคนเล่นกัารพ น, นันเนี่ยทำให้สังคมมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเอ่อมันก็จึงทําให้รัฐบาลหรือว่าผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะต้องจัดระเบียบโดยการออกกฎห ม, มายมาเอ่อตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดคุณเล่นได้คุณเล่นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีถูกกฎหมายบ้างผิกกดกฎหมายบ้างทีนี้ในการบริหารงานตรงนี้พระเจ้าเนี่ยให้ใช้หลักการการจัดการโดยธรรมนั่นคือการบริหารงานโดยธรรมอย่างเช่นธรรมราชาหรือว่าการจัดการคุ้มครองโดยธรรม นีคือออกกฎหมายอะไรต่างๆทําอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมะเนะีซึ่งธรรมะเนี่ยพูดถึงการดื่มเหล้าพูดถึงการพนันเนี่ยเป็นปากทางแห่งความเสื่อมใช่ไหมค่ะซึ่งถ้าบอกว่าเราเออกกฎหมายมาลงโทษจกกัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไงคุณโยมเตี๋วค่ะแต่มันแก้ที่ปลายเหตุไปแล้วแต่นะทีนี้การที่จะแก้ที่ต้นเหตุไม่ให้คนไปหันเล่นการพนันหรือว่าดื่มสุราหรือว่าทำอะไรที่มันผิดศีลเนี่ยก็พัฒนาจิตใจค น, นให้สูงขึ้นโดยการให้ ฟังธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะพอจิตใจคนมันมีราคะโทสะมโหเบาบางแล้วเนี่ยต่อให้การพ น, นันถูกกฎหมายหมดนีนดื่มเหล้าได้หมดคนก็ไม่ไม่ไปแตกกันบริหารงานโดยทําอย่างนี้มันจึงจะดีค่ะก็คงต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของการส่งเสริมให้คนมีจะเรียกทำมีไราได้ได้วยนะคะใช่ใช่ตรงนั้น ม, มีมีกิน ม, มีใช้เพราะว่าถ้าคนไม่ถูกบริหารจัดการ ให้มีกินมีใช้คือยังมีความเหลื่อมล้าอยู่พวกรวยก็รวยมากพวกจนก็จนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อ, อ, อาจจะทําให้ปัญหาพวกเนี้ยแก้ลําบากนะอันนี้ในทัศนะของทีฉันค่ะใช่ใช่ต้องทำ <ใน S 2> หลาได้านใช่ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องอย่างอื่นบ้างก็แล้วกันในบรรดาใบายามุกเพราะที่ฉันเห็นว่าไหนไหนก็เริ่มต้นด้วยเรื่องอบยมุกแล้ว เผื่อจะได้เป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตนะนะคะนึกว่าไม่ใช่อายมุขอ๋ออย่างนี้เป็นอายมุขหรอนอกจากเรื่องของการพนันเรื่องเล่าแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นไหมคะเอความเจ้าชู้ค่ะแต่ความเจ้าชู้เนี่ยเป็นปากท่ายของความเสื่อมโอ้ค่ะสุภาพบุรุษทั้งหลายกินผ้หญิงกิสตรีด้วยค่ะก็ทำใ้องประเด็นเลยค่ะไม่ให้เราไปเป็นความเจ้าชู้ค่ะนี้ยไม่ว่าจะ เป็นรบายมุกคะถูกต้องพระพุทธเจ้าใช้คํานี้เข้ามานักเลงคำว่านักเลงสุราไล่ไปเลยนะนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้แล้วก็การคบเพื่อนชั่วพวกนี้เป็นปากตายแห่งความเสื่อมคําว่านักเลงเนี่ยคือหมายถึงเชี่ยวชาญในด้านนั้นอย่างคำว่านักเลงรถคุณชี้ตรงส่วนไหนคุณรู้เลยว่าอันนี้คาร์บูเรเตอร์หรือหัวฉีด แตุ่ณชีส่วนไหนคุณรู้เลยว่าระบบไฟฟ้านี่เป็นแบบดิจิทัลหรืออนาล็อกแต่คนที่เป็นนักเลงเขาจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักเลงสุราหรือนักเลงการพนันเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญว่าโอ้เล่านี้ปีนี้วายต้องกินอย่างนี้อมันจะมีรายละเอียดของเก่านะพนันถ้าโป๊กเกอร์ต้องเล่นอย่างนี้ถ้าไฮโลต้องเล่นอย่างนี้ดัมมี่อะไรต่างๆเหมือนหลายอย่างเขาจะมีความเชี่ยวชาญนี่คือเขาว่านักเลงนะคือไม่ใช่เป็นแค่ผู้เซฟ ปอ่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มือสมัครเล่นเอาพูดถึงมืออาชีพค่ะท่านคะเห็นมีอยู่แค่สุราพนันเจ้าชู้แล้วการข้นชั่วใช่สี่อย่างดิฉันได้ยินวันนี้ที่ยินแววๆได้ยินพระพูดด้วยนะคะบอกว่าความขี้เกียจนี่ก็เป็นอบายมุกจริงหวือเป่าคะอ๋อใช่อันนี้ก็เป็นอบายมุกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือถ้าจะพูดขยายความจากสี่อย่างนี่จะเป็นหกอย่างได้นะนี่ยก็คือสี่อย่างแรกใช่ไหมค่ะแล้วก็ความเกลียดคร้าน แล้วก็การเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนในทั้งหมดหกอย่างตงันวนี้นักเที่ยวใช่นักเที่ยวนักดืม่มนักพนันมีเพื่อนชั่วเกียจกร้านแล้วก็เจ้าชู้ชียนดูๆแล้วดูเหมือนกับว่าบางคนมีคุณสมบัติ ทุกอย่างไม่รวมอยู่ในคนเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนเกียดคราสก็คือขี้เกียจทำอาหากินอย่างอื่นอะ่ะก็เล่นการพนันดีกว่าเพราะเล่นการพนันในการพนันจะมีสุรามีความเจ้าชู้มีเพื่อนชั่วออืแล้วก็มีเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยนี่ครบเครื่อแน่นอนเลยแต่เขาก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆสเสื่อมลงเรื่อยๆนะคือดูเหมือนว่ามันอาจจะมีเงินมากขึ้นแตอันนี้คือลักษณะของที่ตั้งไง และคำว่าที่ตั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาแต่ถ้ามันจะมามันจะมาตรงนี้นี่คือในทางตรงข้ามก็จะเหมือนกันนะคุณยมติวอย่างอย่างเราพูดถึงสติปัฏฐานอย่างเงี้ยนี่คือที่ตั้งของสติอย่างเช่นเราพูดถึงลมหายใจนะนี่คืออาจมาต้องต้องการยกตัวอย่างตรงข้ามเพื่อให้เห็นว่าบางที่เราดูลมหายใจแต่สติยังไม่เกิดโอเคนะแต่ลมหายใจเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของสติได้ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้เช่นเดียวกันนะในทางกลับกันดื่มเหล้าเนี่ยบางทีตอนดื่มเหล้าหรือว่าเล่นการพนันเนี่ย ความเสื่อมทรัพย์อาจจะยังไม่ได้เกิดตรงนั้นยังไม่ได้เกิดตรงนั้นแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละตรงดื่มเล่าหรือว่าเล่นการพนันหรือว่ามีเพื่อนชั่วพวกนี้อืมค่ะอแล้วก็ถ้าหากไม่มารวมกันเป็นหกข้อเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกโอ้โหมันไม่เลวสามขนาดนั้นหรอกนะคะก็เป็นการเตือนแล้วกันว่าเอ๊ะพิจารณาดูซิว่าเพื่อนที่คบอยู่เนี่ยเป็นยังไงเราเองมีความเกลียดคร้านไปเจ้าเรือนหรือเปล่าคือทําเป็นอย่างๆก็ได้นะคะ ดูเหมือนกับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไปกองรวมมันจะงอกขึ้นมาเป็นอย่างอื่นด้วยใช่ ใ, <น>ใช่ในหกอย่างนั้นแล้วก็คําว่าปากทางอบายมุกเนี่ยคื อ, ค, อคือเราคิดอย่างนี้เลยประตูนรกเลยพูดง่ายๆ่ายค่ะนะประตูสู่อบายคือประตูสู่นรกเลยนะจะเปิดอยู่ตลอดสําหรับคนที่มีความประมาทค่ะทีนีออ้ท่านได้กล่าวในตอนช่วงกลางกลางที่เฉลย อ, ออกมา ว, าว่าวิธีแก้น่าจะไปพัฒนาทางจิตถูกไหมคะใช่ พัฒนาทางจิตยอย่างไรคะเพื่อที่จะให้เราไม่จําเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีได้คะ่ะคือคนที่จิตเขาน้อมไปในการพนันมันมันจะติดด้วยนะทางดิมเหล่าการพนันเรื่องความเจ้าชู้พวกนี้มันติดเนี่ยเพราะว่าเรื่องของจิตที่มันไม่มีกําลังในการที่จะหลีกออกจากพวกนี้มันก็จะอ่อนแรงไปตามเพื่อนชวนเขาตัวมารีบไปเลยหรือว่าอยากมันจะอ่อนแรงไปตรงนั้น เพราะนั้นการพัฒนากําลังจิตตรงนี้จึงมีความสําคัญคให้อะไรให้จิตออกเข้มแข็งต่ออะไรต่ อ, อเครื่องที่มันจะมายั่วยวนรั่วรวงต่อไปตรงนี้จึงสําคัญในกําลังจิตเรื่องทางกายทางธรรมะกินคุญเข้าทำไปใช่ไหมแข็งกันแข็งวนทางกายเนี่ยแหมคนทํามะหากินดีแล้วแมมแต่ชอบแทงหวยเงินมันก็หมดอยู่เรื่อยมันก็จะรั่วคือมีรูรั่วอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องมีกําลังจิตในการที่จะอุดรูรั่วตรงนีนะ้โดยการที่ ฝึกตั้งสติขึ้นเนะืสตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญถามว่าจะสติจะเกิดได้อย่างไรก็ต้องมีฐานที่ตั้งของสตินั่นคือสติปัฏฐานสิ่งที่เราฝึกกันในตอนแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของการสังเกตลมหายใจเนะี่ยตรงนี้ดูผิวเผิน ม, มันอาจจะเหมือนกับไม่เกี่ยวข้องกันนะคุณโยมติวแต่ถ้าเราเปรียบเทียบประตูเนะี่ยประตูนี้ไปสุนารกใช่ไหม ค, คืออบา ย, ยมุขอบายประตูสู่นิพพานพระพุทธเจ้าเปิดไว้แล้วอีกประตูหนึ่งเนะี่ยประตูนรกเนี่ยไปทางซ้ายนะ เป็นมิจฉาทิฐิประตูสวรรค์หมายถึงประตูนิพพานเนี่ยไปทางขวานะคือสัมมาทิฏฐิเอาจะไปทางนั้นจะไปทํายังไงเน่ก็ไปตามทางนี้คือมรรคแปดเน่เริ่มจากเรื่องของศีลก่อนถ้าสมมุติว่าคุณยังเล่นการพนันอยู่ยังแบบหัวยนี่บางทีหยุดไม่ได้ใช่ป่ะหรือเราอาจจะดื่มบ้างแต่ว่าข้ออื่นรักษาให้ได้แต่ข้ออื่นทําให้ดีแต่สัมมาวาจาทําให้ดีแต่ตรงนี้มันจะเป็นแรงที่จะดึงเราไปได้เป็นกําลังที่จะดึงเราไปได้ เรารักษาสี่งได้ตรงนี้จะเป็นความไม่ร้อนใจในใจของเราจริงๆเราจะมีความสบายในข้อที่เรารักษาได้ตามกําลังนั้นๆนั้นๆนะแล้วก็ฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นให้จิตมีกําลังคําว่ากําลังในที่นี่หมายถึงสมาธิค่ะแตไม่หวนไหวไปตามเสียงที่มันมาชักชวนคือเสียงไม่ได้มาจากข้างนอกหรอกอเสียงก็จะมาจากข้างนอกแต่ในใจของเราเนี่ยมันอ่อนไปตามเสียงที่เขามาชวนดังนั้นเสียงที่อยู่ข้างในเราเนี่ย ที่มันเกิดจากราคะโทสะโมหะมันกลุ่มรุมถ้าเปารียบบัจจิของเราเป็นสมาธิเนี่ยไอ้ น, นี่มันจะเบาบางไปมันจะระ ง, งับไปได้ฝึกไปในทางนี้เราก็จะค่อยๆเริ่มตัดได้ไหตรงตัดนี่แหละคือปัญญาความคมตรงนี้ก็คงจะมีอยู่เป็นจานวนมากเหมือนกันนะคะที่ก็รู้นะก็ไม่อยากทำละแต่มันพอถึงเวลานั้นมันจะต้องไปทุกที ถึงเวลานั้นมันจะต้องซื้อทุกทีลอตเตอรี่เนี่ยอืถึงเวลานั้นต้องแวบไปสังสรรค์กับเพื่อนสักหน่อยหนึ่งนะคะท่านไปบูลบอกว่านั่นเพราะว่าจิตของเราไม่มีกําลังแก้ให้ตรงด้วยการมาพัฒนาให้จิตมีกําลังแต่มันก็มีเรื่องยากอีกนะคะท่านคะคือในกรณีที่คนที่จมอยู่ในอบใบมุกแล้วตัวเองรู้สึกไม่ได้อแต่คนรอบข้างเนี่ยโอ้โห เดือด้อร้อนใจมากเลยพ่อแม่ภัญญา่ทำ idea, ยังไงดีอะท่านตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเคยตรัสไว้กับท่านพระอานุน์คุณยมติ ว, ว่าความมีกะละาลยานมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของบรมอาจารย์เลยดังนั้นเราต้องมีเพื่อนดีอ่ะคนที่บัจะชักชวนเราให้ไปในทางดีได้บางทีตัวเองมันมันทั้งตัวมันมันลืมไปแล้วหลงไปแล้วค่ะอย่างเช่นพระเทวทัศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นกะละนาลยานมิตรนะ ท่านพระเทวทัตเนี่ย เ, เคยเปรียบเ ท, เทียบท่านพระเทวทั ต, ว, ตว่าเหมือนกับคนที่จมลงไปในหลุมคูดแต่ถ้าสมมติหัวยังโผล่ออกมาอยู่เนี่ยมันมีเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะดึงให้ตัวหลุดออกมาจากหลุมคูดได้ท่านจะทําแต่ท่านก็จึงให้โอกาสในการบวชให้โอกาสในการปฏิบททัติธรรมแต่คือแน่นอนพระพุทธเจ้าทราบอยู่แล้วว่ามันจะมาก่อเรื่องแต่ว่ายังมีสิทธิราดอยู่จนกระทั่งถึงให้ จมไปจนกระทั่งเหลือผมขึ้นมาเส้นเดียวก็พยายามจะดึงจะช่วยอยู่คะ่ะแต่ถ้าจมหมดแล้วนี่ช่วยไม่ได้ละเพราะนั้นบางทีเราจมลงไปเนี่ย เ, เราจะช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะต้องมีเพื่อนหรนะืกัลยาณมิตรที่จะมาคอยชักชวนช่วยกันนะซึ่งกัลยาณมิตรทําไงอ่ะทีนี้ถ้าเราเจอคนที่อยู่ในสภาพนี้คะ่นะก็ต้องช่วยเขาอะ่นะคือถ้าเราเป็นเพื่อนประเภทไหนล่ะถ้าเป็นเพื่อนที่มีอุปการะ เราก็ให้เขาตั้งอยู่ในความที่ห้ามเสียจากบาปเหมือนพ่อแม่เลี้ยงดูลูกอะนะถ้าลูกมันทําไม่ดีก็ต้องเตือนต้องดา่าต้องว่ามีกุศลบาลในการที่จะให้เขาเลิกในการทําไม่ดีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเพื่อนเราแต่ถ้าเรารักเพื่อนคนนี้เอา้าเขามีความประมาทเกิดขึ้นเราต้องรู้จักรักษาเขาแล้วก็ต้องดูดูแนะนําสิ่งที่ดีให้กันอันนี้ก็คือที่พระพุทธิจ้าตรัสกัท่านบาลนนท์ว่ากะลานามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของโรมอาจารย์อันนี้ สำคัญทีเดียวนะคะค่ ะ, คะก็อาจจะเป็นคนรอบๆข้างก็ต้องใช้เวลาอดทนหน่อยพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะทําให้เขาสนใจในการที่จะพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมีกําลังใช่สำคัญมากชักชวนกันจะมาว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคือบางทีคนเดียวกําลังไม่ไหวหนก็ก็ชักชวนกัน่ะเราตั้งอยู่ในความดี เรารู้ข้อมูลนี้แล้วเราก็แบ่งปันเพื่อนๆอันนี้มันก็จะให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้ค่ะดิฉันเคยฟังเรื่องเล่านะคะจากพระคุณเจ้ารูปหนึ่งก็บอกว่ามีคนมาหาบอกว่าเป็นคนติดเหล้ามาตลอดเลยอืมแต่เกิดเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เข้าไปฟังธรรมเจอการแสดงธรรมแต่ที่ฉันลืมไปแล้วนะคะว่าแสดงบทไหนอย่างไร บอกพอฟังปุ๊บนี้ตัดสินใจเลิกเล่าทันทีได้คือเหมือนกับเขาเป็นคนที่เรียกว่าอย่างโชคดีนะคะคือเหมือนกับว่าประสบกับธรรมะที่ปิ๊งพอดีใช่ใช่และดิฉันก็รู้จักคนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เปิดเผยนะคะเล่าเรื่องตัวเองอฟังแล้วทึ่งคะ่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยครกเครื่องมาแล้วทุกอย่างคือทุกอย่างที่ได้คุยกันปในรายการนี้นะคะ บอกว่าสุดๆยาเสพติดก็เคยเสพแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพัฒนาจิตแบบจริงจังมาฝึกสมาธิฝึกสติอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ถามว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนใจเขาเขาบอกว่าวันหนึ่งไม่รู้ยังไงเปลี่ยนชีวิตบอเดี๋ยวนี้เลิกทุกอย่างอยั ง, อยงไม่น่าเชื่อเลยว่าเขามีบุญนะคะตอนนี้เป็นความโชคดีมากๆ ความโชคดีของของใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะที่สามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเฮงมากๆเลยคือโชคดีมากๆโชคดีเปรียบเทียบกับอะไรนะความโชคดีของเระพุทธเาเปรียบเทียบกับนักเลงการพนันที่เล่นครั้งแรกแล้วถูกแบบแจ็คพอตเลยนะคื อ, ค, อคือมันโชคดีจริงๆอะ่ะสมมติเราเล่นการพนันแล้วถูกครั้งแรกแบบเมื่อวันแจ็คพอตเลยเนี่ยมันโชคดีมากๆอันนี้เปรียบความโชคดี ของคนที่สามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่นะยังโชคดีไม่เท่าเลยค่ะค่ะและเราก็ได้ใช้เวลากันมาพอสมควรอพอดีอยากจะสรุปสักนิดเนึงนะคะ<ช>ว่าที่ฉันได้กราบเรียนถามท่านพิบูรณ์ถึงเรื่องของบ่อนการพนันเพราะเห็นมีการเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้แต่ให้ท่านได้พูดในหลักการว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นาศาสดาของพวกเราเนี่ยได้ตรัสถึงเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไรนะคะก็ได้ตรัสว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเป็นมุก ค, คือปากทางแห่งความเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราพนันเจ้าชู้การคบเพื่อนที่ไม่ดีการเป็นนักเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนตลอดจนกระทั่งความเกียดคร้านด้วยอย่างไรก็ตามแก้ได้ หากว่าเราได้พัฒนาทางจิตจิตของเราจะมีกําลังเข้มแข็งสามารถต้านทานกับอบายมุขที่มาเราให้เราเข้าไปหาได้นะคะไม่น่าเชื่อลองทําดูใครบอกไม่น่าเชื่อนะต้องลองดูฝึกปฏิบัติกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการนี้เลยนะคะและการมีกาลยาณมิตรพระพุทธองค์บอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจา ร, รย์ท่านไปบุญคะเป็นบุญ เดียฉันคงจะทิ้งท้ายให้ทุกคนเนี่ยจัดเวลาไม่ว่าจะวันที่สาตั้งแต่เวลา12บสนิกาถึง13มนกนาทีที่เ e อ็นโก้ปตทสผชั้นห้าห้องจัดเลี้ยงท่านไปบุญจะมาตอบคำถามธรรมะที่ท่านทั้งหลายได้ถามด้วยตนเองเลยนะคะ <c oughs> ส่วนวันที่สี่ท่านจะไปที่หอจดหมายเหตุเพื่อทาาอินทะปัญโยเพื่อที่จะไปแสดงธรรมที่นั่น ตอนช่วงเช้าตั้งแต่9นาฬิกาตอนเที่ยงมีโรงทานให้รับประทานอาหารกันฟรีแล้วก็อยู่กันถึงบ่ายเลยจะมีการตอบปัญหาธรรมะถึง3าโมงครึ่งถูกไหมคะเชื <S <S ่อปานใจนะคะงั้นก็นัดหมายกันกับพระอาจารย์ไพภูนผ่านทางรายการนี้กันละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกย้ำให้อีกทีถ้าหากลืมเตรียมตัวกันไว้วันนี้กราบนสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะเานนสการค่ะ ท่านส่วนงที่รบค้าลรายการเรานัดกันมาพบกันใหม่กับสรนนีสนทนาโดยสรรนีษนาคพงศ์วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะพูทว่าสวัสดีค่ะ